ผู้ที่มีความปรารถนามีความต้องการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งปวงออกจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดของการเกิดแก่เจ็บตายของการพัดพรากจากกันจำเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้นำทางเป็นผู้สั่งสอนเพราะมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่รู้จากทางที่นำไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใคร นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถสั่งสอนให้หลุดพ้นกันได้ดังนั้นการที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นโชควาสนาโชคมหาศาลเพราะนานๆจะได้มีโอกาสมาพบกับ พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์กันสักครั้งหนึ่งเมื่อมีโอกาสได้พบแล้วก็ควรที่จะฉวยโอกาสนี้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะได้ศึกษาคำสอนเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นองค์แทนกันได้องค์ใดองค์หนึ่งไม่จําเป็นจะต้องมีครบทั้งสมองค์ขอให้มีองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้นําทางเช่นในสมัยพุทธกาลในระยะแรกๆของการประกาศพระาศาสนาก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอน แล้วต่อมาก็มีผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกก็เป็นผู้ช่วยสั่งสอนแล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจากไปแล้วก็มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำถ่ายทอดกันมาตามยุคตามสมัย เป็นผู้นำทางได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพระธรรมคำสอนของเรานี่แหละจะเป็นาศาสดาแทนพวกเธอต่อไปจะเป็นาศาสดาแทนเราต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราจากาศาสดาถ้าพวกเธอมีคำสอนของเรา นี่คือผู้นำทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันธ์ธาตุปรนิพานไปแล้วเราก็มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตาสาวก เป็นผู้ทำหน้าที่นำทางผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจนมาถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็ยังมีพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกปดมื่ดสี่พันพธรรมขันและมีพระอาหารหันตสาวก คูบาอาจาที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วเป็นผู้ช่วยนําทางเป็นผู้ช่วยสั่งสอนพวกเราจึงควรที่เข้าหาพระธรรมคําสอนหรือหาพระอาหารหันตสาวกให้เป็นผู้ช่วยสั่งสอนพวกเรา เพราะถ้าเราปัาจากพระธรรมคาสอนหรือปัาจากพระอรหันตสาวุกเป็นผู้นําทางแล้วเราจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยเพราะทางนี้เป็นทางที่ต้องมีผู้ที่รู้ทางพาไปถ้าไม่รู้นี่ จะไม่สามารถไปได้ด้วยตนเองต่อให้ปฏิบัติไปจนวันตายถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอาลหันตาสาวกเป็นผู้สั่งผู้สอนเป็นผู้นำทางจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เลยต่อให้เก่งขนาดไหน เราให้มีความรู้ความฉลาดมากมายขนาดไหนก็จะยังไม่สามารถที่จะรู้ทางนี้ได้ด้วยตนเองยกเว้นผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งนานๆจะมีปรากฏซักซักรูปหนึ่งสักองหนึ่งเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้ที่ได้ออกบวตแล้วก็ได้ มีดวงตาเห็นธรรมตัดสรูพระอริยสัจสีด้วยพระองค์เองไม่มีใครที่จะรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกับที่เจ้าชายสิทธัตถได้รู้เพราะจะมีต้องมีความรู้ความฉลาดมากที่จะสามารถเห็นธรรมอันวิเศษนี้ได้ แต่พอมีเพียงมีองค์เดียวเห็นก็พอเพียงที่จะนำเอามาแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ไม่มีได้เหมือนแสงสว่างของของของเทียนถ้ามีเทียนแต่ไม่มีไฟจุดเทียนเทียนก็จะไม่สามารถที่จะสว่างสวัยขึ้นมาได้ แต่พอมีผู้มีความฉลาดสามารถหาวิธีจุดเทียนให้สว่างขึ้นมาได้เพียงดอกเดียวก็สามารถที่จะแบ่งแสงสว่างของเทียนดอกนั้นให้แก่เทียนดอกอื่นๆได้จิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเทียนที่ต้องรอให้มีผู้ที่จุดแสงสว่างของเทียนนั้น เอาแสงสว่างมาจุดให้กับเทียนของพวกเราเอาใจของเอาธรรมะเอาแสงสว่างแห่งธรรมมาจุดประกายให้กับใจของเราให้ใจของเรามีแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นมาต้องรอคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาจุดแสงสว่างอันนี้ขึ้นมาพอพระ อ, องค์ได้จุดแสงสว่างอันนี้ขึ้นมาแล้ว ก็ทรงสามารถแบ่งแสงสว่างนี้ให้แก่ผู้อื่นได้โดยไม่มีจำนวนจำกัดนะมีมากมีน้อยสามารถที่จะจุดแสงสว่างให้ปรากฏขึ้นภายในใจของของทุกๆคนได้อยู่ที่ว่าผู้ที่มีเทียนนี้ยินดีหรืออยากจะให้จุดเทียนนี้หรือไม่ อยากต้องการแสงสว่างนี้หรือไม่ถ้าไม่ต้องการก็จะไม่ไม่จุดก็คือจะไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีแสงสว่างปรากฏขึ้นมาภายในใจจะไม่เห็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย นี่คือความสำคัญของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้นำทางถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้เราจึงถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนะ เป็นที่พึ่งของชีวิตจิตใจของพวกเราเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พอเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมีขึ้นมาอีกอันหนึง่งก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน ความหมายก็คือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเป็นผู้ศึกษาเองเราต้องเป็นผู้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เองคนอื่นทำแทนเราไม่ได้เราต้องเข้าไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัตินี่คือ อัตตาหิอัตโนนาถตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะไม่มีใครที่จะมาทำหน้าที่นี้แทนเราได้พ่อแม่ก็ทำแทนเราไม่ได้สามีภรรยาก็ทำแทนเราไม่ได้บุตรธิดาญาสนิทมิตรสหายก็ทำแทนเราไม่ได้การที่จะศึกษาการที่จะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้ ต้องเกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติของเราเองเท่านั้น mm hmm. เราจึงต้องเป็นที่พึ่งของตนเราจึงต้องเป็นอัตติอิอัตโนนาโถอย่างนั้นการที่มีที่พึ่งสองอย่างนี้จึงไม่ขัดกันบางท่านถ้าไม่เคยได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะคิดว่าทําไมต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แล้วทำไมยังต้องมีอัตตาหิอัตนาวนาถูเป็นที่พึ่งอีกในเมื่อในเมื่อถ้าเราพึ่งตัวเราเองได้แล้วเราทำไมจะต้องไปพึ่งคนอื่นการที่เราจะพึ่งตัวเองได้นั้นเราต้องมีคนอื่นสอนเราให้รู้จักวิธีทำตัวของเราให้เป็นที่พึ่งของเราได้การที่เราจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ เราต้องมีผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วเป็นผู้มาสั่งมาสอนพวกเราเมื่อมีผู้มาสั่งสอนแล้วถ้าเราศึกษาแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เช่นเดียวกันเพราะวิธีการเหมือนกันผลก็ต้องเหมือนกันเหตุเหมือนกันผลก็ต้องเหมือนกัน ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดในสมัยก่อนมีการปลูกข้าวแล้วก็มีการออกรวงข้าวในสมัยนี้ถ้ามีการปลูกข้าวก็จะมีการออกรวงข้าวเช่นเดียวกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่การหรือเวลาถ้ามีการปลูกข้าวก็จะต้องมีรวงข้าวออกมาฉันใดถ้ามีการปฏิบัต ฉันนั้นก็จะมีการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายในอดีตมีการปฏิบัติมีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันในปัจจุบันถ้ามีการปฏิบัติก็จะมีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันถ้ามีผู้สั่งสอนอย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือในปัจจุบันผลก็จะได้เหมือนกัน ดังนั้นพวกเราจึงไม่ต้องลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในยุคนี้สมัยนี้จะทําให้เราได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่ทําให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องสังสัยเพราะว่ามันเป็นหลักของเหตุและผล ถ้ามีเหตุผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาผลไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยจากการหรือเวลาผลเกิดจากเหตุคือการกระทำการกระทำก็ต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเพื่อที่จะได้กระทําได้อย่างถูกต้องเมื่อทําได้อย่างถูกต้องแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเรา ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่เหมือนครั้งในสมัยพระพุทธการไม่ไม่มีความแตกต่างกันเลยในสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้เราทำทานนักษาศีลให้ภาวนาในสมัยนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้บันทึกเอาไว้ก็สอนเช่นเดียวกันสอนให้เรา ทำทานรักษาศีลภาวนาถ้าเราทำทานรักษาศีลภาวนาเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่ผู้ที่ทำทานรักษาศีลภาวนาได้รับผลในสมัยพุทธกาลได้บรรลุมรกผลนิพานกันก็เกิดจากการทำทานรักษาศีลภาวนานี้เองแต่การที่จะทำให้เกิดผลนี้เกิดได้อย่างไร เพราะการทำทานรักษาศีลภาวนานี้ก็มีหลายระดับด้วยกันทำมากหรือทำน้อยทำอย่างต่อเนื่องหรือทำไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็จะมีผลต่อต่อผลที่จะเกิดขึ้นถ้าทำมากทำเต็มร้อยทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนผลยอ่อมปรากฏขึ้นอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ถ้าทำน้อยทำไม่มากทำไม่ต่อเนื่องผลก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุยังไม่พอที่จะทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นมานั่นเองดังนั้นอย่าไปโทษว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้อยู่ในสมัยพระพุทธการแล้วการการปฏิบัติในยุคนี้ไม่ได้ผลที่ไม่ได้ผลขอให้เราดูที่เหตุ คือการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติอย่างไรเราปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติหรือไม่เราได้ปฏิบัติเหมือนกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันหรือไม่เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันหรือไม่คือปฏิบัติกันเต็มร้อยปฏิบัติกันตลอดเวลาปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ย่อน อันนี้ต่างหากคือเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาขอให้เราดูการปฏิบัติของเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาค้นคว้าให้รอบครอบให้รู้แนให้รู้อย่างแน่นอนก่อนหรือถ้าไม่มั่นใจก็ไปศึกษากับพระอาหารหันตสาวกเลย ถ้าได้อยู่กับท่านเวลาที่ท่านเห็นเราปฏิบัติไม่ถูกท่านก็จะเตือนเราจะสะจะบอกเราว่ากำลังออกนอกรูนอกทางกำลังไม่ได้อยู่ในทางที่ควรจะไปอันนี้ก็จะดีเพราะว่ า, วาถ้าเราปฏิบัติ ต, ตามลำพังถึงแม้ว่าเราจะมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นาทางแต่ถ้าเราไม่คอย สังเกตดูการกระทำของเราการปฏิบัติของเรากับการสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเหมือนกันหรือไม่ถ้าเราไม่คอยเปรียบเทียบคอยดูอยู่เราก็อาจจะหลงทางได้เพราะเราอาจจะคิดว่าเรากำลังปฏิบัติถูกก็ได้ทางทั้งที่กำลังปฏิบัติผิดแต่ถ้าได้อยู่กับ ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ผู้ที่คอยเฝ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราทำอะไรไม่ถูกท่านก็จะเตือนจะบอกเราทันทีถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษากับพระอาจาร์ตสาวกนี้คิดว่าดีกว่าศึกษาจากพระไตรปิฎกศึกษาจากหนังสือที่ได้จดจารึก บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้ า, เาไว้เพราะว่าคำสอนนี้ไม่สามารถมาเตือนเราได้เวลาที่เราเดินออกนอกลู่นอกทางนอกจากเราคอยเปรียบเทียบอยู่เรื่อยๆว่าการปฏิบัติของเรานี้อยู่ในแนวทางตามคำสอนที่สงสอนหรือไม่ดังนั้นการที่เรา ได้มีครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วนี้มาเป็นผู้สั่งสอนพวกเราเราก็จะได้รับประโยชน์มากกว่าที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากหนังสือนะคาอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้ฟังแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ต้องอาศัยหนังสือที่สอน อย่างถูกต้องแล้วนี้มาปฏิบัติแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เราปฏิบัติอยู่ในแนวทางหรือไม่เรากำลังก้าวหน้าไปหรือไม่ถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าติดอยู่ที่เดิมเราก็จะได้ไปค้นคว้าดูว่าเรากำลังทำอะไรไม่ถูก เพื่อที่เราจะได้มาแก้ไขแล้วทําให้ถูกเพื่อที่เราจะได้ก้าวหน้าขึ้นไปต่อไปเพราะการปฏิบัตินี้ในแต่ละขั้นก็จะมีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันขั้นทําทานก็เป็นขั้นหนึ่งขั้นรักษาศีลก็เป็นอีกขั้นหนึ่งขั้นภาวนาก็เป็นอีกขั้นหนึ่ง ที่จำเป็นจะต้องมีการปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็อาจจะติดอยู่กับขั้นใดขั้นหนึ่งเพราะว่าการปฏิบัตินี้ต้องการต้องมีการคืบหน้ามีการเจริญก้าวหน้าขั้นบันไดเหมือนกับขั้นบันไดที่เราจะต้องก้าวขึ้นไป คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนบันไดาสามขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นทานขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลขั้นที่สามก็คือการภาวนามีขั้นตอนของแต่ละขั้นที่เราจะต้องไต่เต้าขึ้นไปข้ามขั้นตอนไม่ได้ถ้าข้ามขั้นตอนแล้ว จะไม่เป็นผลจะไม่เกิดผลดีดังนั้นเราต้องทำตามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือทานทานก็คือให้เราสละทรัพย์เงินทองต่างๆที่เราใช้ในการหาความสุขใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้อง เวลาเราไม่สบายใจเราก็เอาเงินไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงสถานท่องเที่ยวต่างๆเพื่อดับความทุกข์ใจซึ่งก็ดับได้เพียงชั่วคราวขณะที่เราไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายความทุกข์ใจที่มีอยู่ก็จะหายไปชั่วคราว แต่พอเรากลับมาจากการไปเที่ยวเราก็จะกลับมาเจอความทุกข์ใจที่รอเราอยู่เหมือนเดิมดังนั้นการใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขหรือดับความทุกข์จึงไม่ได้เป็นทางสู่การดับความทุกข์ที่แท้จริงจึงจำเป็นที่จะต้องยุติการใช้เงินทองซื้อความสุขหรือดับความทุกข์ ด้วยการนําเอาไปทำทานเอาไปให้ผู้อื่นผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นวิธีนี้แหละเป็นวิธีที่จะใช้เงินดับความทุกข์ใจอย่างถูกต้องใช้เงินดับความทุกข์ใจด้วยการทำทานเพราะเวลาเราทำทานแล้วใจของเราจะมีความสุขและ จะทำให้เรานี้ยุติการใช้เงินเพื่อไปทำตามความอยากต่างๆเมื่อเราไม่ทำตามความอยากต่างๆความอยากที่สร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้แก่เรามันก็จะหายไปแต่ถ้าเราเอาเงินไปใช้ทำตามความอยากต่างๆเพื่อให้เรามีความสุขชัวข่วคราวความอยากมันไม่ได้หมดไป เวลาเงินทองหมดไปแล้วมีความอยากจะใช้เงินเวลาเงินทองหมดไปแล้วอยากจะใช้เงินแต่ไม่มีใช้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะทำให้ต้องไปหาเงินทองมาเพื่อที่จะได้ใช้เงินอีกก็จะติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินเพื่อดับความทุกข์เพื่อซื้อความสุขที่เป็นความ ความสุขชั่วคราวที่เป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวก็จะติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินไปไม่มีวันสิ้นสุดเราจึงต้องยุติวิธีการใช้เงินทองเพื่อดับความทุกข์หาความสุขแบบนี้เราต้องใช้เงินทองนี้ไปกับการทำทานเพราะเวลาเราทำทานแล้วเราจะ หยุดความอยากต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินใช้ทองได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆเราเอาไปทาทานอันนี้แหละเป็นการซื้อความสุขที่ถูกต้องเป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์ตามมาเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีเงินที่จะทาบุญทาทานเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ ไม่เหมือนกับเวลาที่เราไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อของตามความอยากหรือไปทำอะไรตามความอยากเวลาไม่มีเงินทองเราจะเดือดร้อนมันจะทำให้เราต้องไปหาเงินทองมาทาอีกทาแล้วก็หมดไปหมดแล้วก็ต้องไปหาอีกมันก็ติดอยู่กับกับของการหาเงินใช้เงินเพื่อซื้อความสุขเพื่อดับความทุกข์ช่วงคราวนี้เท่านั้น แต่ถ้าเราเอาเงินทองเหล่านี้มาทำทานเราก็จะหยุดความอยากใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขดับความทุกข์ได้แล้วเราก็จะได้ความสุขที่เกิดจากการทำทานที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะเวลาที่เราไม่มีเงินทองจะทำทานเราก็ไม่ทำเท่านั้นเราไม่เดือดร้อนเมื่อไม่มีเราก็ไม่ทำ เวลาไม่ได้ทำทานเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เหมือนกับเวลาที่อยากจะซื้อของด้วยความอยากเวลาไม่มีเงินซื้อก็จะทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของการทำทานทาทานเพื่อให้เราจะได้ยุติการไปหาเงินหาทองมาซื้อความสุขมาดับความทุกข์ชั่วคราวกันเมื่อเราทาทานได้แล้วเราก็จะ มีกําลังที่จะรักษาศีลได้ที่จะยุติการกระทําบาปต่างๆได้เพราะเราไม่มีความกดดันที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อซื้อความสุขดับความทุกข์ชั่วคราวเราไม่มีเงินทองเราก็ไม่ต้องใช้มันเงินทองนี้เราใช้ก็นิดเดียวเท่านั้นเองก็คือเงินทองเพื่อมาใช้กับร่างกายของเรา คือซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหม่มซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นเราทุกคนสามารถหาปัจจัยสี่ได้โดยวิธีที่ไม่ต้องทำบาปกันที่เราทำบาปกันเพราะว่าเราต้องการหาเงินมาใช้ตอบสนองตันหาความอยากมากกว่าที่มีความต้องการใช้เงินทองแบบไม่มีขอบไม่มีเขต มีเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอจึงถึงพอไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทุจริตก็เลยไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ทำขั้นที่สองได้บันไดขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลแต่ถ้าเราหมั่นทำทานอยู่เรื่อยๆยุติการใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆตามความอยาก เราก็จะไม่มีความอยากมาคอยกดดันให้เราไปหาเงินทองมามากมายหาเท่าที่จำเป็นหาเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายก็พอก็จะทำให้เรานี้ไม่ต้องไปทำบาปเราก็จะรักษาศีลห้าได้ท่านที่หนึ่งของศีลก็คือการรักษาศีลห้าก่อนแล้วพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็จะมีกําลังที่จะเพิ่ม การรักษาศีลจากศีลห้าไปสู่ศีลแปดเพราะถ้าเราต้องการที่จะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นที่สามคือการธรรมนาเราต้องยุติกิจกรรมทางร่างกายยุติการหาความสุขทางร่างกายเช่นยุติการน่วมหลับนอนกับคู่ครองของเรายุติการหาอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ยุติการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆยุติการเสริมความงามของร่างกายยุติการหลับนอนมากเกินความจำเป็นของร่างกายร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนหลับนอนคือละสี่ห้าชั่วโมงก็พอถ้าไปนอนบนฟูกหนาๆมันสบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากลุกเพราะมันสบาย ก็จะนอนต่อหาความสุขจากการหลับนอนบนฟูกหนาะๆนะก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมขั้นที่สามก็คือการภาวนานั่นเองนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติรักษาศีลห้าได้แล้วก็ต้องขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลแปดในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทดลองดูก่อน อาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันพระวันพระนี้ให้รักษาศีลแปดถ้ารักษาศีลห้าได้เป็นปกติแล้วถ้ายัางรักษาศีลห้าไม่ได้ก็ให้รักษาศีลห้าในวันพระไปก่อนพอรักษาศีลห้าในวันพระได้ก็ให้ขยายเพิ่มเป็นสามวันห้าวันเจ็ดวันไปเช่นเดียวกับการรักษาศีลแปดพอรักษาศีลแปดในวันพระได้ ในวันพระก็จะมีเวลาที่จะภาวนาได้มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบได้เพราะการภาวนานี้ต้องใช้เวลามากไม่ใช่นั่งแค่วันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้แล้วจะพออันนั้นก็เป็นเพียงชิมอาหารเท่านั้นเองยังไม่ได้รับประทานอาหารถ้าอยากจะรับประทานอาหาร อยากจะได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะต้องปฏิบัติทั้งวันปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานแล้วก็ว่างจากการไปหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายเราก็ต้องใช้ศีลแปะนี้เป็นตัวบังคับให้เรามีเวลาว่าง เพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะเอาเวลาไปหาความสุขทางร่างกายได้เราก็จะเอาเวลาไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเอาเวลาไปหาอาหารรับประทานได้ตลอดเวลาอยากจะรับประทานอาหารเวลาไหนก็ไปรับประทานได้อยากจะไปดูมหอรสศบันเทิงที่ไหนก็ไปได้ อยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายก็สามารถทำได้อยากจะหลับนอนกี่ชั่วโมงก็หลับนอนได้นี่คือการเสียเวลาไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะทาให้เราไม่มีเวลามาหาความสุขมาดับความทุกข์จากการบาเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เราจึงต้องเริ่มต้นรักษาศีลแปดกันในวันพระกันถ้าเรารักษาศีลห้าได้เป็นปกติแล้วเราก็ทดลองเอาวันพระหนึ่งวันวันพระสมัยนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องตรงกับวันขึ้นแนม8นแปดข้ามสิบห้าข้าก็ได้เพราะว่าสมัยนี้เราใช้ปฏิทินทางสุริยคติเราหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์กัน ซึ่งไม่ตรงกับวันพระถ้าเราไปยึดวันพระตามจันทรคติวันพอวันพระตรงกับวันทำงานเราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลแปดหรือําเพ็ญจิตตภาวนาได้เพราะเราจะไม่มีเวลาเราจะต้องไปทำงานทาการกันดังนั้นเราต้องเอาเวลาเอาวันพระ เอาวันที่เราหยุดทำงานนั้นมาเป็นวันพระของเราถ้าเราหยุดทำงานวันเสาร์เราก็เอานั้นเป็นวันพระท่านเราหยุดวันอาทิต์เราก็เอาวันนั้นเป็นวันพระหรือถ้าหยุดสองวันเราจะทำวันพระทั้งสองวันเลยได้ก็ยิ่งดีได้สองต่อได้สองแดงหยุดสองวันก็มีวันพระสองวันเลยถือศีลแปดสองวัน แล้วก็ไม่ไปไหนหาที่สงบที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่บ้านก็ได้ถ้าสงบไม่มีอะไรมาบรบกวนใจหรือไปที่วัดที่สงบก็ได้วัดก็ต้องเลือกสมัยนี้เพราะวัดบางวัดนี้ไม่สงบไม่สามารถเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาได้ก็ไม่ควรไปควรไปหาวัดที่มีสถานที่สงบ ที่เอื้อต่อการเจริญส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือเรื่องของการรักษาศีลจากศีลห้าเราก็ต้องรักษาศีลแปดรักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาภาวนาการภาวนาก็มีสองขั้นตอนขั้นแรกก็เรียกว่าส ม, มถะภาวนาทาใจให้สงบ ขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาทำใจให้ฉลาดการที่จะทำใจให้ฉลาดได้ใจต้องสงบก่อนเพราะใจไม่สงบนี้ใจจะมีอารมณ์ครอบงามีความหลงครอบงาทำให้ไม่สามารถสอนใจให้ฉลาดได้เพราะมีความหลงคอยต่อต้านไม่ให้ยอมไม่ให้เห็นความจริงผู้ที่บําเพ็ญ วิปัสสนาภาวนาจึงจำเป็นจะต้องผ่านสมถะภาวนาก่อนต้องทำใจให้สงบทำใจให้ใสก่อนเมื่อใจสงบใจใสแล้วก็จะเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนเหมือนกับแว่นตาที่เราสวมใส่ถ้าแว่นตามันเปื้อนมันสกปรกหรือมีสีมีสีทาทับเอาไว้เวลาเรามอง ภาพเราจะไม่เห็นสีที่แท้จริงเช่นเรามีแว่นตาที่มีสีเข้มสีน้ำเงินสีอะไรมามาทาทับเอาไว้เวลาเราเห็นสีผ่านทางแว่นตานี้เราจะไม่เห็นสีที่แท้จริงถ้าเราต้องการเห็นสีที่แท้จริงนี้เราต้องใช้แว่นที่สีขาวไม่มีสีมาทาทับเอา หรือถ้าแว่นมันมันมวเราก็ต้องเช็ดให้มันใสไม่งั้นจะเห็นภาพไม่ชัดเจนอาจจะเห็นสุนัขกลายเป็นแมวไปก็ได้เพราะแว่นมันมันมวมองไม่ชัดฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนแว่นตาที่ตอนนี้มองอะไรไม่ค่อยชัดใจของเราถูกความหลงมันเคลือบเครือบอยู่ ปกปิดทำให้ใจเรามองไม่เห็นความจริงกันความจริงคืออะไรความจริงก็คือตายรักนี้เองทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราแต่ความหลงนี่มันกลับทำให้เรามองเห็นว่าทุกอย่างนี้เที่ยงทุกอย่างนี้เป็นสุขทุกอย่างที่เราได้มานี้เป็นของเราหมด พอเราเห็นอย่างนี้เราก็เลยเกิดอุปทานเกิดความยึดติดอยู่ในสิ่งที่เราได้มาแล้วก็มีความอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่อยากให้มันจากเราไปพอเวลาที่มันจากเราไปเราก็เลยต้องทุกข์ทรมานใจเพราะความทุกข์ทรมานใจของเราก็เกิดจากความอยากนี้เองนี่คือสิ่งที่เรายัางมองไม่เห็นกันเพราะ ใจของเราที่เป็นเหมือนแว่นตานี้มันมัวมันมีสีมีอะไรที่มาเคลือบมันทำเราให้เราไม่สามารถมองเห็นสีที่แท้จริงได้ไม่สามารถเห็นสิ่งของต่างๆชัดเจนได้ขั้นตอนแรกเราจึงต้องมาทำใจของเราให้ใสก่อนเหมือนกับเช็ดแว่นตาถ้าแว่นตามันมีสีเคลือบอยู่ก็ไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนสีปเปลี่ยนใหม่เอาสีขาวมาแทนเพื่อเราเวลาเห็นสีเขียวจะได้เป็นสีเขียวจริงๆเห็นสีแดงจะได้เป็นสีแดงจริงๆไม่ใช่เป็นสีแดงอมฟ้าหรือสีเขียวอมฟ้ามันดูแล้วมันจะไม่ตรงกับความเป็นจริงใจของเราถ้ามีอคติคือมีความรักความชังความกลัวความหลงครอบงําจิตใจ มันก็เหมือนกับแว่นตาที่มันไม่สะอาดแว่นตาที่เปเปื้อนแว่นตาที่มีสีเครือบติดอยู่ทำให้เราไม่เห็นภาพที่แท้จริงไม่เห็นสีที่แท้จริงเราจึงต้องมาทำใจให้สงบทำใจให้สว่างให้ให้สะอาดวิธีที่ใจจะสงบที่จะสะอาดก็คือการทำสมถะภาวนานี้เอง เวลาเรานั่งสมาธิแล้วใจสงบเนี่ยใจก็จะใสขึ้นมาใจจะปราศจากอาคติทั้งสี่ความรักความชังความกลัวความหลงจะหายไปใจจะเป็นอุเบกขาจะเฉยเฉยไม่ว่าเวลาไปสัมผัสรับรู้กับอะไรใจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หนงัง นี่คือสิ่งที่เราต้องการจากการทำสมะถะภาวนาคือต้องการใจที่ใสสะอาดถึงแม้ว่ายังไม่ได้กำจัดสิ่งโสกโปกที่มาหุ้มห่อใจแต่อย่างน้อยก็แยกมันออกชั่วข่าวไว้ก่อนสิ่งที่โสกโปกที่เคลือบที่ครอบคุมใจนี้ต้องใช้วิปัสสนาขั้นที่สองเป็นเครื่องกำจัดอย่างถาวร แต่ในขั้นแรกนี้เราใช้สมถะภาวนาแยกสิ่งโสกโปกให้ออกจากใจให้มันตกตะกอนเหมือนกับน้ําน้ําที่มีอะไรขุนอยู่ในน้ําถ้าเราเอาสารส้มมาแกว่งสักพักหนึ่งสารส้มมันก็จะทําให้สิ่งโสกโปกที่มีอยู่ในน้ํานั้นมันเกาะตัวกันน้ํามันก็จะตกตะกอนแยกออกจากน้ําไปทําให้น้ําใส แต่ตะกอนก็ยังมีอยู่อยู่อยู่ที่ใต้น้ำเวลาที่ไปตักน้ำเวลาที่ไปไปกวนน้ำตะกอนมันก็จะลอยขึ้นมาได้ฉันใดใจที่สงบนี้ก็เหมือนกับทาให้กิเลสให้ทำให้อคติคือรักชังกลัวหลงนี้ตกตะกอนไปชั่วเท่าแยกออกจากออกจากใจแต่ไม่ไม่ออกยังไม่หายไปจากใจไปตกตะกอนอยู่ ที่ข้างใต้พอเวลาใจออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกับการกวนใจพอกวนใจแกว่งใจตะกรันคือความโลภความกลัวความรักความชังก็จะลอยขึ้นมาใหม่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำในเบื้องต้นก็คือทำใจให้สงบทำใจให้ใสปราศจากอคติ พอเราออกจากความสงบมาความใสความป่าสจากอัคติก็ยังจะออกมายังติดมาด้วยแต่จะค่อยๆหายไปเพราะพอเราเริ่มคิดมันก็เหมือนกับเราเริ่มไปกวนน้ําให้มันให้มันขุนขึ้นมากวนน้าทําให้ตะกอนต่างๆขุนขึ้นมาได้พอเราเริ่มคิดแล้วเดี๋ยวอัคติก็เริ่มปรับเข้ามา ความรักความชางังความกลัวความหลงก็จะกลับคืนมาแต่ก่อนที่มันจะมานี้เราเอาเวลาที่ไม่มีอคตินี้มาพิจารณาสิ่งต่างๆที่เราลองเรายังมองไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาพิจารณาสิ่งต่างๆที่ยังให้ให้ความทุกข์กับเราก็คือสิ่งที่เรารักที่เราหวงนี่สิ่งที่เรารักเราชังนี้เราต้องมาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายรัก เพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางมันเพราะเราทำอะไรมันไม่ได้จะไปรักไปชังเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้สิ่งที่เรารักจะไปสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดก็ทำไม่ได้สิ่งที่เราชังที่เราต้องการให้มันหายไปทันทีทันใดมันก็เป็นไปไม่ได้นี่คือเรื่องของการบาเพ็ญจิตตภาวนา มีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือทําใจให้สงบทําใจให้ใสทําใจให้เป็นอุเบกขาเมื่อใจเป็นอุเบกขาแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ใช้อุเบกขานี้มาพิจารณาสิ่งที่ใจไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราเช่นร่างกายหรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหรือร่างกายของคนนั้นของคนนี้ ที่เราไปหลงยึดไปติดว่าเป็นของเราเช่นพ่อเราแม่เราสามีเราภรรยาเราบุตรธิดาของเราความจริงเขาไม่ได้เป็นของเราเลยเขาเป็นของธรรมชาติเขามาจากธาตุสี่มาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็กลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายในที่สุดก็จะต้องกลับคืนสู่ สภาพเดิมก็คือดินน้ําหนมใยถ้าเราไม่พิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะไปคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธีดาแต่ความจริงแล้วเขาเป็นเพียงธาตุสี่เท่านั้นเองตัวที่มาครอบคลองธาตุสี่ที่เป็นพ่อเป็นแม่นี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นร่างกายเป็นจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พอร่างกายตายไปกลับคืนสู่สภาพเดิมจิตใจก็ไปรับผลบุญผลบาปไปตามอำนาจของตันหาความอยากต่อไปถ้ายังมีตันหาความอยากก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็ไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ากำจัดตันหาความอยากได้หมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ ก็ไปอยู่ที่พระนิพพานอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตาสาวกผู้ที่ได้กําจัดนัญหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วนี่คือเรื่องของวิปัสสนาที่เราจะต้องเจริญหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วต้องเจริญทันทีเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ออกจากสมาธิมาใหม่ๆใจจะเป็นกลางใจจะเป็นอุเบกขา ใจจะปราศจากความลักชังกลัวหลงก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้พิจารณาอ น, นิจจังก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่ามาจากดินน้ำลมไฟเวลาตายก็แยกกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่เป็นสิ่งที่เรา ควรจะทําหลังจากที่เราได้สามาภาวนาแนละ้วก็คือมาเจริญวิปัสสนามาพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เรายังหลงลักยังยึดยังติดอยู่เช่นร่างกายของเราหรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราหรือลาบยศสระเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นใจลักทั้งนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น แตใจของเรากลับไปเห็นว่าเป็นสุขเพราะเราถูกอคติครอมงามถูกความหลงครอมงามใจจึงเห็นกับตาลบปัดเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราก็เลยทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันพัดพากจากกันไป แล้วถ้ามีความอยากไม่ให้พลาดพลาดจากกันก็จะมีความทุกข์ที่มีความอยากก็เพราะว่ามีความหลงไปคิดว่าเป็นของเราไปคิดว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไปคิดว่ า, าจะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราออกมาแล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วกรา ทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันจะต้องมีวันจากเราไปพอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้จุดปล่อยวางไม่ยึดติดยอมให้เขาจากเราไปยอมให้เขาเปลี่ยนไปยอมให้เขาไม่เทียงยอมให้เข า, เาไปตามสภาพของเขาพอเรายอมเราไม่ยึดไม่ติดไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเรา เวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อทําใจของเราให้ไม่ทุกข์แล้จะไม่ทุกข์ได้ก็จะต้องสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักได้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ในการที่จะเห็นตายรักได้ก็ต้องเห็นด้วยใจที่สงบถ้าใจไม่สงบในใจจะถูกความหลงครอบงา จะทำให้มองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมองเห็นทุกอย่างว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาพอเห็นอะไรเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะเกิดอุปทานความยึดติดความอยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดพอความจริงมันมาปรากฏเวลาของต่างๆจากเราไปเวลานั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลานั้นก็สายแก้ไม่ทันแล้ว เพราะไม่ไม่มีปัญญาที่จะคอยปล่อยวางนั่นเองมีแต่ความหลงที่จะคอยยึดติดอยู่เรา ต, ต้องหมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นนิสัยเลยเวลาเห็นอะไรมีอะไรสัมผัสกับอะไรนี่ต้องรู้ทันทีว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลามีทรย์ก็รู้ทันทีว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เวลาได้ตำแหน่งได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ต้องรู้ทันทีว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้แล้วไม่เป็นไรถึงแม้จะมีก็ไม่เดือดถึงแม้จะมีมันก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้ยึดติดกับมันมันมาก็ปล่อยมันมาไปถึงเวลามันจะไปก็ปล่อยมันไปแต่จะไม่มีวันที่จะไปแสวงหามันบางทีอยู่ในโลกนี้แม้ แม้จะไม่ต้องการแต่มันก็มาตามอำนาจของเหตุปัจจัยเช่นบุญกุศลหรืออะไรก็ตามหรือความสเสน่หาของผู้อื่นเขาชอบเราเขาอยากจะให้นูน่นให้นี่เราเราจะไปห้ามเขาก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะให้มาก็รับไว้ก็แล้วกันแต่อย่าไปหลงยึดติดกับมันว่ามันดีมันวิเศษมันจะต้องอยู่กับเราไปตลอดคิดว่าวันดีคืนดีมันก็อาจจะจากเราไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ ต้องคิดอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้แม้แต่ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องคิดอยู่เสมอตลอดเวลาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรามันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้มีใครรู้บ้างถึงเวลามันจะเกิดนั้นเกิดขึ้นได้เสมอเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่จะสามารถที่จะทําให้ร่างกายนี้ตายได้เมื่อไหร่ก็ได้ เราจึงต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเตรียมธรรมะคอยสอนใจเตือนใจให้ปล่อยอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ยึดไม่ให้ติดตลอดเวล า, ถ, าถ้าทำได้แล้วมันจะสบายมันจะไม่วุ่นวายใจกับการสูญเสียของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราปล่อยไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้เนี่เราจะวุ่นวายกับมัน ม้ขณะที่มันยังไม่จากเราไปเราก็วุ่นวายเพราะเพียงแต่คิดว่ามันจะจากก็ทำให้เราไม่สบายใจแล้วนี่คือเรื่องของวิปัสสนาที่จะตามมาหลังจากที่เราได้ส ม, มถาภาวนาจิตของเราสงบปาศจากอาคติเป็นอุเบกขาพอออกมาเราก็พิจารณามันพิจารณาไปจนกว่าอุเบกขามันจะหมดกาลังไป จิตเริ่มไม่ยอมรับความจริงย่อมก็หยุดการพิจรารณาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปสร้างอุเบกขาขึ้นมาใหม่ทำใจให้สงบใหม่ให้นิ่งนานๆเพื่อจะได้มีอุเบกขานานๆแล้วพอออกจากสมาธิมามีอุเบกขามาก็พิจรารณาตายรักต่อไปจนกระทั่งมันไม่หลงไม่ลืมจนกระทั่งมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ เพราะมันไม่อยากจะทุกข์กันคนเรานี้ไม่มีใครอยากจะทุกข์แต่ที่ทุกข์ก็เพราะความหลงเองหลงไปยึดไปติดกับสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะไปคิดว่ามันเป็นความสุขพอคิดว่ามันเป็นความสุขมันเป็นของเราก็จะไม่อยากให้มันจากเราไปแต่พอเราใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่เป็นของเรามันจะต้องจากเราไปพอเห็นชัดเจนมันก็ปล่อยเลยไม่มีใครอยากจะทุกข์ ถ้ารู้ว่าทุกข์เพราะความยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราก็ปล่อยมันดีกว่าเช่นร่างกายนี้เวลาจะตายนี้มันจะทุกข์มากแต่ถ้ามีปัญญามาสอนบอกว่ามันไม่ใช่ของเรามันจะไปไม่มีใครห้ามมันได้ปล่อยมันไปดีกว่าปล่อยแล้วจะไม่ทุกขนะ์เนี่ยพอปล่อยปั๊บนี้ใจจะสงบใจจะเบาใจจะสบายเลยที่ทุกข์เพราะว่าไม่ยอมไปเพราะไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา คิดว่าถ้าร่างกายตายไปแล้วเราจะตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจที่ไปหลงยึด huh. ติดกับมันพอเราปล่อยร่างกายได้ใจเราก็สบายใจเราก็สงบเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแม้แต่เวลาที่ร่างกายตายไปถ้าเรายังยึดติดเราก็เราก็ทุกข์กับมันพอร่างกายตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับมัน แต่ว่าเราต้องทุกข์ทรมาร์ไปกับความตายของมันซึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยเพราะเมื่อร่างกายนี้ตายไปความอยากจะมีร่างกายใหม่มันก็จะพาให้เราไปเกิดใหม่ไปยึดติดกับร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกข์กับมันใหม่ทีเ่เวลาที่จะต้องตายไปเนี่ยเรามาทุกข์กับความตายของร่างกายนี้ไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วแล้วก็จะทุกข์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไม่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระอาหารหันตสาวกที่จะมาสอนให้พวกเรามามาปฏิบัติมาปล่อยวางของต่างๆการจะปล่อยวางได้การจะเข้ามาถึงขั้นวิปัสสนานได้ก็ต้องผ่านขั้นสมถะการจะเข้าสู่ขั้นสมถะได้ก็ต้องผ่านขั้นศีลขั้นศีล8จากขั้นศีลแปก็ต้องผ่านขั้นศีลห้า กานศีลห้าก็ต้องผ่านขั้นการให้ทานนี่มันเป็นการกระทําที่เป็นขั้นบันไดเหมือนกับการเรียนหนังสือที่เราต้องเรียนเป็นขั้นขั้นไปขั้นแรกเราก็ส่งลูกไปเรียนอนุบาลพอจบอนุบาลก็ส่งขึ้นชั้นประถมจากชั้นประถมก็ส่งขึ้นชั้นมัธยมจากมัธยมก็สู่ขั้นอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรีโทเอก จนในที่สุดก็ได้เป็นยาขั้นสูงสุดการปฏิบัติธรรมก็เป็นในลักษณะนั้นเริ่มต้นที่ขั้นทมทานแล้วก็มารักษาศีลศีลห้าแล้วก็ศีล8ศีลส0ศีลสองยบเจแล้วแต่ความถนัดอยากจะรักษาศีลในระดับไหนก็รักษาไปตามกำลังแล้วก็ภาวนาสามถะภาวนาก่อนเมื่อได้สมถะภาวนาแล้ว ออกจากสมถภ า, าวนามาก็มาเจริญวิปัสนาภาวนาพอเจริญวิปัสนาภาวนาก็จะหลุดพ้นก็จะบรรลุผลขั้นต่างๆบรรลุปัญญาขั้นต่างๆจนถึงปริญญาขั้นสูงสุดคือพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวอะไรต่างๆอีกต่อไปเพราะจะไม่กลับมาเกิด เมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีการพัดภ้าจากกันไม่มีปัญหาต่างๆอย่างที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ที่มีเพราะว่ามันมีร่างกายพอมีร่างกายมันก็เลยไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งกับคนนั้นคนนี้พอไปยุ่งแล้วมันก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าไม่มีร่างกายมันก็ไม่มีไม่มีโอกาสที่จะไปยุ่งกับใคร มันก็จะไม่มีปัญหาจะไม่มีเรื่องราววุ่นวายต่างๆมารบกวนใจนี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นผู้ได้ปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วก็เอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราถ้าพวกเราฟังแล้วเกิดศรัทธาน้อมนาเอาไปปฏิบัติ เราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาารันตสาวกทั้งหลายได้รับกันก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราจงยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นจารณะและยึดอัตตาหิอัตโนนาโถ คือตัวเรานี้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแบบสุ ป, ปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเต็มร้อยปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วมรรคผลนิพานการดุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทุปนารสุยะถามณีโชติ 阿拉โสยทัสสะพิธ so ิโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโภภาฯอภิวาทานศิลิตาณิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวัานติอายุวันุสุขัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นขั้นช่วงถามตอบปัญหาธรรมทั้งของที่ถามที่นี่ของที่ฝังมาจากทางบ้านและของที่ถามสดผ่านทางการถ่ายทอดสดตอนนี้ก็เอาของที่ฝากถามในเฟซบุ๊กเข้ามาต่อ ก, ก่อน หรือถ้าใครอยู่ที่นี่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามตอบถ้าไม่มีก็ให้พิธีกรอ่านคำถามที่เขียนมาไว้ใน Facebook ก่อนคำถามจากทางบ้านจากคุณอภิชาข้อหนึ่งเวลาที่จิตรวมได้สักพัก รับรู้ถึงว่ามีลมเย็นเกิดขึ้นที่บริเวณตรงกลางระหว่างมือเกิดจริงๆหรือกิเลสที่ทำให้ให้อุปทานเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วครับเวลาเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้รู้เฉยๆแล้วพิจารณาว่าเป็นตายลากไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ต้องไปยึดไปติดไม่ต้องไปปรุงแต่งมันอยู่ก็อยู่มันไปก็ไปไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นอะไร เราคิดว่ามันเป็นไตลักษณเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่เราต้องการก็คือความสงบความนิ่งความเป็นอุเบกขาของใจอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าใจสงบอย่างเต็มที่เราก็ไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นเราต้องการอุเบกขาไว้ใช้ในการเจริญปัญญาต่อไปข้อสองในช่วงแรกของการที่จะเข้าอปนาสมาธิ จะรับรู้ได้จากการที่ลมหายใจตกลุมตกบอบคล้ายตอนงีบแล้วสะดุ้งตื่นแต่รับรู้ต่อเนื่องได้อีกสักพักก็ถอนออกมาช่วงนี้เวลาจิตรวมมันจะวูบเข้าไปเลยไม่ไม่พงะเหมือนแต่ก่อนและอยู่ได้นานขึ้นแต่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็จะชอบออกมาคิดอาการที่รับรู้นี้เป็นกิเลสมา ก, กวนหรือจเจริญสติหรือสติมีมากขึ้นครับ เวลาที่จิตสงบแล้วจิตก็รู้อันนี้ก็เป็นเป็นตัวรู้รู้ว่าจิตตอนนี้นิ่งสงบไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสคือตัวโลภตัวโกรตัวหลงตัวที่ไปปรุงแต่งคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้ถ้ารู้เฉยๆนี้เป็นตัวรู้อพอจากความสงบมาก็ควรที่จะใช้ปัญญาพิจารณาตายรักไปพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เกี่ยวข้องด้วย ว่าเป็นตายรักหมดเราจะต้องปล่อยวางเพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องมีการพัดพรากจากกันถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็จะทุกเวลาที่เราจะต้องจากกันและการที่เราจเจริญสติได้ไม่นานแบบนี้จะสร้างปัญหาอะไรขึ้นมาในอนาคตหรือเปล่าครับถ้าสติไม่มีก็เป็นบ้าได้นะแต่ว่าไม่มีมากไม่มีน้อยคนที่เป็นบ้า ก, ก็คนที่ไม่มีสติเลย หรือคนที่ดืม่มชุวราแล้วเมานี้ก็ไม่มีสติเหมือนกันฉั้นการมีสตินี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญอย่างมากที่เราจะต้องพยายามรักษาหรือพยายามสร้างมันขึ้นมายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะไม่มีอะไรจะมีคุณค่ามีคุณประโยชน์เท่ากับการมีสติเพราะถ้ามีสตินี้จะทําพาเราไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาไปสู่มรรคผลนิพานไปสู่การหลุดพ้นได้ แต่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสรเสรความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่สามารถทำให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้ข้อสามสัปปายะเช่นสถานที่บุคคลอาหารอากาศถ้าผมเป็นคนที่ขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะมากถ้ามีสถานที่ปลีกวิเวกที่ร้อนไม่มากสบายบายและอีกที่ร้อนมาก อาบเหนือต่างน้ําถ้าผมเลือกที่ที่สบายจะเป็นกิเลสนํามาหรือใช้ปัญญาเลือกครับการหาสถานที่สบายมันก็มีส่วนที่จะสนับสนุนในการภาวนาของเราถ้าไปเจอที่มันไม่สบายมันก็จะภาวนายากฉะนั้นจะว่าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสแต่มันก็จําเป็นที่เราจะต้องอที่จะต้องอใช้มันไปก่อน เพราะว่าไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่สามารถก้าวหน้าไปได้แต่อย่าใช้กิเลสแบบหาของที่ไม่เป็นธรรมชาติมาแก้ปัญหาเช่นเราขี้ร้อนก็เลยไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดหรือเกิดเวลาไฟดับหรือเครื่องปรับอากาศเสียก็จะมีปัญหาได้ถ้าขี้ร้อนก็ไปหาอยู่ตามถ้ำนี่ตามถ้ำนี่มันเย็นสบาย ทำแบบธรรมชาติทำแบบคูบาอาจารที่ท่านได้ปฏิบัติกันมาส่วนใหญ่ท่านไปอยู่ในป่ากันไม่ป่านี่จะเย็นมีต้นไม้มีร่มไม้จะไม่ร้อนแล้วก็เป็นที่เหมาะกับการภาวนาเป็นที่สงบสงบัดวิเวกคําถามจากคุณเดโยมกําลังคิดจะเลี้ยงไก่เพื่อเก็บไข่ขายโยมจะเลี้ยงในคอกกว้า ง, างเพื่อให้มันไม่อึดอัดพอมันหมดอายุออกไข่เราก็ไม่ขายให้โรงฆ่าสัตว์ แต่เอาเอามันออกมาเลี้ยงนอกคอกและยังให้อาหารมันอยู่แต่มันอาจโดนสัตว์อื่นจับกินได้พูดง่ายๆคือตอนมันมีประโยชน์เราขังมันเพื่อจำกัดพื้นที่เก็บไข่พอมันหมดประโยชน์เราก็ปล่อยมันอยู่ตามบุญตามกรรมแต่เราให้อาหารตลอดอยากทราบว่าเป็นบาปหรือไม่คะไม่บาปหรอกแต่ล่ความเมตตามีความเห็นแก่ตัว เวลาเขาทำประโยชน์ให้เราเราก็เลี้ยงดูเขาอย่างดีปกป้องรักษาเขาอย่างดีพอเขาไม่มีประโยชน์กับเราแล้วเราก็ถีบหัวทิ้งไปาทาหว้งคำถามจากคุณวิมุตติช่วงนี้ใกล้บวชพยายามอโหสิกรรมคนที่เคยทำร้ายผมจนบาดเจ็บหลายครั้งแต่ก่อนไม่เอาเรื่องไม่แจ้งความไม่แจ้งใครเลยแต่ตอนนี้กลับกันกลับแค้นมาก ทำไมโง่ไม่ตอบโต้หรือเอาคืนตอนนั้นช่วยแนะนำได้ไหมครับว่าจะขจัดความพยาบาทนี้ได้อย่างไรยิ่งใกล้บวชแล้วมันกลับทวีความผุดออกมาครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นวิบากของเราก็แล้วกันเราเคยไปทำอะไรมาในอดีตตอนนี้เราก็เกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่อยากจะให้มันมีเกิดขึ้นต่อไปเราก็ต้องยุติการตอบโต้อยอมรับใช้วิบา ก, กรรมของเราไป อย่าไปตอบโต้ไปทำร้ายเขาไป เ, าเป็นเรื่องเป็นราวกันอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเราต้องเอาคติธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี่มาสอนใจเพื่อใจของเราจะได้ยุติการจองเวรจองกรรมแล้วใจของเราก็จะสงบจะบวชอย่างมีความสุขคำถามจากคุณทอมมี่ ผมเคยอบรมในโครงการพระพุทธบุตรเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาครั้งนั้นเข้าอบรมเป็นเวลาเจวันตั้งใจปฏิบัติสมาธิเดินจงกรมตามคําสอนของพระอาจารย์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาสอนในแต่ละวันประมาณวันที่สามขณะนั่งปฏิบัติไปสักพักเกิดมีอาการนิ่งเห็นแต่ความว่างเปล่าวสว่างไปหมดแต่ไม่มีความคิดใดๆ นั่งสักพักไม่แน่ใจว่านานไหมพระอาจารย์เรียกให้ลืมตาหลังจากลืมตาก็ไม่มีอาการปวดเมื่อยเลยมีความรู้สึกลลโล่งโปร่งสดชื่นมากๆหลังจากนั้นมาพอเรียนจบมานึกระลึกขึ้นได้พยายามนั่งสมาธิกําหนดพุทโธไปเรื่อยๆทำมาสักพักใหญ่ก็ไม่เคยเกิดอาการดังที่อธิบายด้านบนเลย ผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เข้าสู่สภาวะดังกล่าวได้อีกครับก็ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องมีการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องเหมือนในสมัยที่เราไปปฏิบัติตอนนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเราก็มีเวลาที่จะคอยเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอผลมันก็เลยเกิดขึ้นมาแต่ในตอนนี้เรามานั่งปั๊บแล้วเราอยากจะให้มันได้ผลเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าเราไม่ได้เจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องเพราะเราต้องไปทำงานทำการไปทำอะไรต่างๆดังนั้นผลมันจึงไม่เกิดเพราะขาดสติกำลังของสติมีไม่พอที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณนานานั่งสมาธิแต่จิตชอบฟุง้งพอรู้ตัวก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจจะเป็นแบบนี้สลับกันไป ก็เลยพยายามดูลมหายใจในชีวิตประจวาวันเพื่อที่เวลานั่งสมาธิจะได้ไม่ฟุง้งทำถูกหรือไม่คะถูกแล้วถ้าเราดูลมหายใจได้ก็เท่ากับเป็นการเจริญสติแต่เรายังคิดว่าดูลมหายใจในขณะที่เราทำอะไรนี่มันจะรู้สึกว่ามันดูยากสู้ดูการทางานของร่างกายจะง่ายกว่า เต้นกําลังเดินก็รุดดูเท้าก็ได้ว่ากําลังเดินก้าวไปก้าวมาก้าวซ้ายขวาไปหรือกําลังตัดอาหารกําลังเคี้ยวอาหารกําลังกืนอาหารอะไรทํานองนี้แต่ถ้าดูลมหายใจได้ก็ดีเพราะลมหายใจมันละเอียดมันดูยากเวลาที่ร่างกายมีการกระทาอะไรต่างๆท่านถึงสอนให้ดูร่างกายเวลาที่เราทําภารกิจการงานต่างๆให้ดูลมเฉพาะเวลาที่เรามานั่งหลับตา ในสติปฐานสิ่นี้ท่านจะสอนให้สอนอนาปนาสติตอนที่นั่งหลับตานั่งอยู่ใต้โคนไม้ที่สงบดูลมหายใจพอออกจากนั่งสมาธิมาพอไปทำกิจกรรมต่างๆก็ให้ดูการกระทำกิจกรรมเป็นการเป็นที่ตั้งสติแทนที่กําลังกวาดก็ให้อยู่กับการกาดกาลังถูก็ให้อยู่กับการถู ก, กาลังทาอะไรก็ตามก็ให้อยู่กับสิ่งที่เรากาลังทาอยู่ เรียกว่าเป็นการเจริญสติจะง่ายกว่าแต่ถ้านสามารถดูลมได้อย่างต่อเ น, นื่องก็ใช้ได้เหมือนกันคำถามจากคุณอ่อนอุมาเวลาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ต้องถวายข้าวพระพุทธด้วยไหมคะอันนี้เป็นเพียงแบบความเชื่อเท่านั้นเองเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ท่านกินข้าวไม่ได้แล้วท่านตายไปนานแล้วพระพุทธลูกก็กินไม่ได้ นั่เป็นความเชื่อแบบความความเชื่อของชาวบ้านเชื่อว่ามีพระพุทธรูปก็ต้องถวายข้าวให้พระพุทธรูปด้วยเหมือนกับไหว้ไหว้ไหว้ผีไหว้เจ้าไปซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีบูชาที่พระเจ้าทรงสอนให้บูชาวิธีบูชาพระพุทธรูปก็คือให้กราบไหว้เวลาที่เราพบพระพุทธรูปหรือถวายเครื่องสักการะดอกไม้ทูบเทียนเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธ พระธรรมพระ ส, สงฆ์และถ้าอยากจะบูชาที่สูงก่อนนี้ก็ให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทาทานรักษาศีลภาวนาไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อหนึ่งเหตุใดจึงยังรู้สึกเสียใจจากการพลัดพราก ข, ของคนหรือสัตว์อันเป็นที่รักแม้จะเจริญมรณานุสติอย่างเนืองเนืองมาสักระยะหนึ่งแล้ว แปลว่าดิฉันยังไม่เข้าถึงความเป็นธาตุขันธ์อย่างแท้จริงหรือเปล่าคะก็ยังปล่อยวางไม่ได้ยังไม่เห็นว่าเป็นธาตุขันธ์ยังไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงหรือว่าเห็นแล้วแต่ไม่มีกําลังก็ได้ไม่มีอุเบกขาเพราะไม่ได้นั่งสมาธิถ้าไม่มีสมาธิปัญญามันก็จะเป็นจินตามะยะปัญญาเป็นความคิดเฉยที่ไม่มีกาลังพอที่จะปล่อยวางทาใจให้นิ่งให้สงบได้ แต่ถ้าใจมีสมถะภาวนามีความสงบมีอุเบกขาพอเวลาสูญเสียอะไรก็สามารถดึงใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ปล่อยวางได้นั้นต้องถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็คื อ, อยังขาดสมถะภาวนาจิตยังไม่รวมจิตยังไม่เป็นอุเบกขาข้อ2การพิจารณากายคตาสติทําหลังจากจิตเป็นสมาธิแล้วหรือไม่คะ และควรทำอย่างไรคะกายคตาสติก็มีสองสองแนวทางแ น, แนวทางเพื่อการเจริญสติก็ให้เฝ้าดูไปเรื่อยๆว่ากำลังทำอะไรอยู่อกอกเกแนวทางหนึ่งก็เพื่อวิปัสสนาเช่นพิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายดูว่าร่างกายนี้เป็นเพียงแต่ส่วนประกอบของอาการต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่มี ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในอาการเหล่านี้อาการเหล่านี้ไม่มีบุคคลไม่มีในกอในขออยู่เป็นเพียงอาการที่เกิดมาจากดินน้ำลมฝฟยแล้วต่อไปก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมฝฟยไปพิจารณาเห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมฝฟยว่าเป็นเพียงอาการไม่มีตัวตนแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามเพื่อจะได้ทาลายกามารม ที่เวลาเห็นร่างกายแล้วมักจะชอบจะรักแล้วก็จะเกิดการอารมขึ้นมาแต่ถ้าเห็นว่าเห็นในส่วนที่มันไม่น่าดูไม่สวยไม่งามมันก็จะทาให้การมารมนั้นดับไปได้ก็กายกตาสติก็มีอยู่สองลักษณะนิจะนาะใช้เป็นการเป็นที่จเจริญสติถ้ายังไม่มีสติก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทาอะไรก็ให้รู้ว่ากาลังทาอะไรอยู่ ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่าเจริญสติพอเวนั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปนาสติพอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วพอออกมาก็ให้พิจารณาอาการสาสิบสองพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาดินน้ำลมไฟไปเพื่อเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาเพื่อจะได้ปล่อยวางร่างกายคําถามจากผู้ฝากถามข้อหนึ่งเห็นอาจารย์บางท่าน สอนให้พิจารณากายไปเลยสมาธิจะตามมาเองถ้าพิจารณากายไปเลยนี้ได้ไหมครับก็ลองทําดูเลยก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิซึ่งมันยากกว่าใช้ใช้สติอบรมสมาธิการเพ่งดูเฉยๆมันง่ายกว่าการจะใช้ปัญญาเรารู้หรือเปล่าปัญญาเป็นยังไงเราพิจารณาไงไงถึงเป็นปัญญาดีไม่ดีพิจารณาไปกลายเป็นกิเลสขึ้นมาก็ไม่รู้ตัว อันนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องรู้จักวิธีพิจารณาว่าปัญญาเป็นไงตายักเป็นยังไงอันนี้จังไม่เที่ยงเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงมันถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาสู้ดูเฉยๆมันง่ายกว่าแล้วจิตก็จะสงบแต่ถ้ามีปัญญาชลาเห็นร่างกายปะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟอันนี้ก็ปล่อยวางร่างกายได้จิตก็สงบได้ อันนี้ก็เป็นปัญญาได้แต่ถ้าปล่อยไม่ได้มันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ข้อสองการบริกรรมจิตต้องรวมขนาดไหนครับถึงจะถอยออกมาพิจารณากายได้ต้องมีปฐมฌานอย่างน้อยใช่ไหมครับต้องเข้าไปสู่จตุฌานเลยก็ไปสู่เบขาพุโทโธไปเนื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมเป็นอุเบขาแล้วตั้งอยู่ในอุเบขานนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ พอหลังจากออกมาแล้วถึงจะใช้ อ, อุเบกขาที่ได้จากการเข้าสู่ในอุเบใฌานนี้เอามาใช้ในการพิจารณาทางปัญญาต่อไปข้อสขอพระอาจารย์อธิบายความหมายของคณิกะอุปจาระอัปนาสมาธิว่าแต่ละอันอยู่ฌานขั้นไหนเช่นคณิกะสมาธิคือปฐมฌานอุปจาระคือทุติยทักษฌาน ตติยาชานอัปนาสมาธิคือจตุชาญแบบนี้หรือไม่ครับรู้สึกถามมาแล้วเมื่อวันก่อนนะแต่ก็จะตอบว่าคานิกะกรอปนานี้ก็คือจตุชาญต่างกันตรงที่ว่ามันอยู่อยู่สั้นหรืออยู่ยาวถ้าอยู่เดียวๆก็เรียกว่าคานิกะสมาธิรวมปั๊บแล้วก็ถอนออกมาถ้าตั้งอยู่นานก็เรียกว่าอัปนาสมาธิส่วนอุปจารสมาธินี่เป็นสมาธิที่ พอเข้าไปอัปปนาแล้วไม่อยู่เฉยๆออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆมาเห็นนิมิตเห็นเห็นโลกเห็นสวรรค์ระลึกชาติได้มีตาทิพยหูทิพย์มีอิทธิฤทธิ์ลายต่างๆนี้เกิดจากอุปจารสมาธิสมาธิที่ไที่เข้าไปในอัปปนาแล้วไม่ไม่ตั้งอยู่ในอัปปนาถอนออกมาออกมารับรู้สิ่งต่างๆในโลกทิพย์มีตาทิพย์หูทิพย์อะไรอย่างนี้ นนำคำถามจากผู้ฝากถามการปฏิบัติแบบยุบหนอ่อพองหนอตามแนวสติปฐานสี่นั้นสามารถบรรลุผลนิพพานได้หรือเปล่าครับก็เป็นการเจริญสติขันต้นถ้าได้สติแล้วก็จะได้นั่งสมาธิใจก็จะสงบ พอใจสงบมีิูเบคขาก็จเจริญปัญญาเพื่อตัดกิเลสตัณหาได้ก็ไปถึงพระนิพพานได้แต่ไม่ใช่ทำแต่ยุบเนอพองหนอเพียงอย่างเดียวมันเป็นเป็นขั้นต้นเหมือนกอไก่ขอไข่ก่อนที่จะเขียนหนังสือได้อ่านออกเขียนได้ก็ต้องท่องกอไก่ขอไข่ไว้ก่อนพอท่องได้แล้วก็มาหัดผสมสล ะ, ะอาสละอาแล้วก็หัดมามามารู้ความหมายของคำแต่ละคำว่ามีความหมายยังไง จึงจะสามารถเอาไปอ่านหนังสือหรือไปเขียนอะไรต่างๆได้คำถามจากคุณสมพงศ์ตอนอายุ17ปีจิตเข้าสู่ความสงบโดยบังเอิญขณะนั่งทำวัดเพราะนั่งดูลมหายใจเกิดความเย็นใจปิติขนลุกครั้งอยู่เป็นชั่วโมงเป็นความสุขครั้งแรกทำให้ลืมไม่ลงต่อมาเพราะความทุกข์บีบคั้นทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ คิดเพียงจะนั่งให้นานที่สุดคิดว่าคงไม่ถึงกับจิตสงบหรือรวมทําบ่อยๆเข้าเหมือนจะชำนาญไม่ต้องบริกรรมจับอารมณ์ให้จิตรวมได้ง่ายๆบางคราวอ่านหนังสือส่งใจตามเกิดปีติค้างอยู่เป็นชั่วโมงไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนแบบจะหมดจะต้องปลีกตัวทุกครั้งต่อมาจิตมันเสื่อมเพราะนิวร์เข้ามาจากที่เคยขยัน กลับกลายเป็นอยู่แบบสังกตายเศร้าหมองจนได้ลาสิกขาออกมาแต่ยังอะไรยังเห็นภัยในสงสารอยู่สิบกว่าปีแล้วที่ยังทำไม่ได้จะดำเนินหรือวางใจอย่างไรดีครับก็ต้องทำใจว่าถ้ายังไม่ได้ก็ยังไม่ได้้าไปอยากได้ก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าอยากจะได้ก็ต้องพลิกตัวเองกลับขึ้นมาใหม่ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ ถ้าสร้างสติได้แล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่เราเคยได้ก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ถ้ายัางสร้างไม่ได้แล้วก็อย่าไปอยากอยากก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ต้องยอมรับตามสภาพของเราไปถ้าไม่อยากจะรับสภาพเราก็ต้องพลิกตัวเราเองตั้งสติให้มากๆจเจริญสติให้มากๆทําความเพียรให้มากๆแล้วเดี๋ยวก็จะได้สมาธิได้ความสงบกลับคืนมา คำถามจากคุณนวลอโนอ์เวลานั่งสมาธิจิตชอบปรุงแต่งอยู่กับพุโทโธได้แป๊บเดี๋ยวจะมีวิธีไหนขอโทษนะคะได้แป๊บเดียวจะมีวิธีไหนทําให้อยู่กับพุโทโธได้นานๆครับก็กลับมาพุโทโธใหม่พอมันหายไปเราก็เดินกลับมาใหม่พุโทโธใหม่พอมันไปเราพอเราได้สติรู้ว่าหายไปก็กลับมาพุโทโธใหม่ก็พยายามทําไปไเรื่อยๆเหมือนเด็กที่หัดเดิน ตอนต้นเดินก็เดินได้เก้าสก้า็ล้มลงไปล้มลงไปก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่ล้มลงไปก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่มมหมต่อไปมันก็จะเดินได้เองถ้าเรามันจเจริญพุทโธอยู่เรื่อยๆเวลามันหายไปก็กลับตั้งขึ้นมาใหม่ดึงกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเราทําอย่างไม่มีหยุดไม่มีหย่อนสักวันหนึ่งมันก็จะสติ ก, ก็จะต่อเนื่องพุทโธมันก็จะต่อเนื่องเอง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูจเจริญสติมาหลายปีปัจจุบันเห็นรูปน้ำแยกกันได้แม้จะไม่เห็นตลอดเวลาเมื่อมีความคิดก็เห็นความคิดแยกกายรู้สึกว่ามันมีอยู่ของมันแต่ไม่เข้าไปในความคิดนานไม่กี่วันมานี้หนูเห็นความรู้สึกชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักอยู่ภายในชัดมากนั่นคือความรู้สึกถึง ตัวตนที่เป็นของหนูมีความเป็นตัวเราชัดเป็นตัวการใหญ่ที่แฝงอยู่ภายในตลอดเวลาทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อสนองตัวนี้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งการไปปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกจากการเกิดเหมือนอะไรหนึ่งอยู่ภายในหนูควรแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่เฉยๆแล้วเจริญสติต่อไปเรื่อยๆหรือควรทำอะไรอื่นอีกหรือไม่คะ ก็ควรจะปล่อยมันปล่อยวางมันอย่าไปยึดไปติดมันอย่าไปถือว่าเราเป็นตัวเป็นตนให้เราเข้าสู่ตัวตัวที่แท้จริงของเราก็คือตัวรู้ตัวที่รู้ตัวรู้นี่แหละคือตัวที่แท้จริงของเราแล้วอยู่กับตัวรู้ทำอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าทำแบบตัวตนพอใครด่ามาก็ด่ากลับไปนี่เรียกว่าทำแบบตัวตน แต่ถ้าทำแบบตัวรู้ใครด่ามาก็รู้ว่าเขาดา่าแล้วก็จบให้ทำแบบให้รู้เฉยๆไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ตกับสิ่งต่างๆปล่อยว่างทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดแล้วตัวเองก็จะไม่มีความทุกข์ทางนี้หมดแล้วทางของคุณต่อมีไหมเดี๋ยวส่งไมโครโฟนมาให้หน่อยตอน น, นี้มีผู้ถามสดๆเข้ามา ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกจากคุณชัยวัฒน์นะครับการถือศีลแปดนั้นหากในศีลข้อสามยึดถือได้เพียงแค่ศีลกาเมโดยมิได้เป็นศีลพรหมจรรย์นั้นจะมีผลทำให้ไม่บรรลุชั้นโสดาบันหรือไม่ครับ อันนี้ก็มันก็ทำให้เรามีเวลาน้อยต่อการปฏิบัติก็จะมีสติน้อยสมาธิน้อยปัญญาก็น้อยโอกาสที่จะบรรลุมันก็ยากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะบรรลุไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องการบรรลุช้าหรือบรรลุเร็วถ้าบรรลุเร็วเราก็ต้องมีเวลาปฏิบัติมากขึ้น ถ้าเราเอาเวลาไปร่วมหลับนอนกับแฟนเราก็ไม่มีเวลาปฏิบัติ <laughs> คำถามจากคุณโสพิษนะครับวันนี้ที่บ้านมีพระมารับอาหารวันละประมาณสามสิบห้ารูปมาจากหลายวัดค่ะมาทุกวันได้บุญเยอะไหมคะ และจะอุทิศบุญให้บิดามารดาสามีและญาติที่เสียชีวิตไปแล้วครูบาอาจารย์และสัตว์ร่วโลกทั้งหลายพระอาจารย์มีคําแนะนําเพิ่มไหมคะควรอุทิศให้ใครอีกก็แล้วแต่เราอยากจะอุทิศให้ใครเราก็อุทิศได้บุญนี้ถ้าเราทํามากก็จะได้มากทําน้อยก็จะได้น้อยเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานรับประทานอาหารน้อยก็อิ่มน้อยรับประทานอาหารมากก็อิ่มมาก ทำบุญมากก็จะอิ่มอกอิ่มใจมากกวาทำบุญน้อยคำถามข้อต่อไปจากคุณนาวินนะครับนาลินนะครับปกติแล้วเวลาทำอาณาปานาสติแล้วจะรู้สึกว่าจิตที่รับรู้ลมนั้นมันหนักๆแต่มีอยู่วันหนึ่งในช่วงขับรถอยู่ฟังหลวงตามหาบัว เท่เกี่ยวกับมรก8แล้วคิดตามสักพักรู้สึกว่าจิตรับรู้ลมเข้าออกเองแต่ไม่หนักเบาสบายเป็นอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงอยากถามพระอาจารย์ว่านี่คืออารมณ์ที่จะใช้วิปัสสนาใช่หรือไม่ครับแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดได้อีกผมผมควรทำอย่างไรดีก็ควรจะทำให้มันสงบเหมือนที่เราได้ทำให้มันสงบบ่อยๆแล้วเราก็จะ สามารถนำเอามาใช้ในการเจริญวิปัสสนาได้ต่อไปเกาวที่ลามัน ส, มสงบอย่างไรเราก็ลองทำแบบนั้นต่อไปดูคำถามจากคุณแอมปปักตินะครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายความแตกต่างระหว่างจิตกับใจด้วยครับจิตกับใจก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่ไม่ใช่ร่างกาย ส่วนที่มาครอบคุมร่างกายนี้เราเรียกว่าจิตใจคือมีทั้งส่วนที่คิดและส่วนที่รู้ส่วนที่คิดเรามักจะเรียกว่าจิตส่วนที่รู้เราเรียกว่าใจแต่บางครั้งเราก็ใช้สลับกันแล้วใช้ปนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับความว่าจิตใจจนมากจนเกินไปเขาให้เรารู้ว่าเป็นส่วนที่ไม่ใช่ร่างกายกับเรากันเวลาที่เราพูดถึงจิตใจอาจจะพูดถึงส่วนที่เคลื่อนกำลังคิดอยู่ จิตกําลังคิดใจกําลังรู้เนีย่ยพูดอย่างนี้หรือบางทีจิตใจไม่สบายเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนที่ไม่ใช่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นนามธรรมาไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายส่วนนามธรรมาก็คือจิตใจคือตัวคิดตัวรู้ตัวอารมณ์ต่างๆตัวสุขตัวทุกข์ตัววุ่นวายไม่วุ่นวายนี้คือตัวใจตัวจิต ให้รู้เพลงท่านี้อย่าไปยึดติดกับคําว่าจิตใจคาําแปลความหมายของมันเพราะบางทีเราใช้สลับกันไปจยกระทั่งมันกลายเป็นคําอันเดียวกันใช้แทนกันได้แต่โดยโดยหลักแล้วที่เห็นเขาใช้กันจริงๆก็คือเรามักจะใช้จิตกับการความคิดต่างๆส่วนก็จะใช้ใจกับการรับรู้การรู้ต่างๆเท่านั้นเองใจมีจิตใจนี้มีทั้ง ส่วนสองมีสองส่วนมีส่วนที่คิดกับส่วนที่รู้เหมือนกับร่างกายที่มีแขนมีขามันก็เป็นร่างกายจิตใจก็เป็นส่วนที่ไม่ใช่เป็นร่างกายเป็นนามธรรมเป็นธาตรูลล้เป็นผู้ที่มามาเกิดเป็นผู้ที่มามารับร่างกายจากพ่อจากแม่แล้วก็ไปยึดไปหลงไปยึดไปติดกับร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตัวจิตใจ แล้วก็ไปทุกข์กับร่างกายเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปจึงต้องมาสอนจิตใจให้ฉลาดให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายจะต้องจากเราไปให้เราปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาไม่จากเราไปแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กันคำถามจากคุณเอสกฟนะครับเวลาเรานั่งสมาธิในเต็นท์นั่งสมาธิที่มีอากาศร้อนไม่มีลม แต่พอกำหนดรู้เหมือนมีความรู้สึกได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกกลับก็มีอากาศเย็นสบายแล้วมีลมเข้ามาประทะร่างแล้วมีความรู้สึกสบายใจมันเกิดจากอะไรครับใจสงบเวลาใจสงบใจก็จะเย็นขึ้นาคำถามข้อต่อไปจากคุณอันไต้ต้นนะครับเคยนั่งสมาธิเอาจิตจับลมหายใจเข้าออก นั่งไปสักพักเกิดความรู้สึกว่าลมหายใจนั้นหายไปแล้วเกิดอาการกลัวขึ้นมาจนหลุดออกมาจะแก้ไขได้อย่างไรครับก็ให้มีให้มีสติรู้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปกลัวใช้ปัญญาว่าตราบใดที่มีผู้รู้อยู่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำลายผู้รู้ได้ขอให้มีสติประครับประคองใจอย่าให้เกิด ความวุ่นวายใจเกิดความตนกตื่นตนกขึ้นมาไอ้ตัวนี้ต่างหากที่เป็นตัวที่จะมาทําลายมาสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้ามีมีสติประคบับประคองใจให้สักแต่ว่ารู้ให้นิ่งเฉยเฉยหรือว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเกิดแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะมาทําลายตัวรู้ผู้รู้นี้ได้ให้รู้ไปเรื่อยๆแล้วจะไม่มีปัญหาอะไร คำถามจากคุณกบนะครับลูกสาวชื่อลูกสาวเพื่อนไม่เชื่อฟังแม่พยายามทำทุกอย่างให้แม่เสียใจอะไรที่แม่ไม่ชอบเขาจะทำและยังบอกด้วยว่าที่ทำเพราะแม่ไม่ชอบถ้าบอกสอนก็จะหนีออกจากบ้านเด็กทำตัวดีกับคนข้างนอกบ้านแต่กับแม่ไม่สนใจฟังทุกใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรค่ะพระอาจารย์เคยอ่านเจอในหนังสือธรรมะว่า ให้สวดมนต์อันนี้จะช่วยได้ไหมสวดมนต์ก็จะช่วยได้มันจะทําให้เราลืมคิดถึงเรื่องของลูกพอเราไม่คิดถึงเรื่องของลูกไม่ไปอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มันก็สบายใจได้แต่พอไปเจอลูกเดี๋ยวมันก็เป็นอีกวิธีที่จะแก้อย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาก็คือปล่อยมันไปมันอยากจะทําอะไรก็ปล่อยมันทําไปเรามีเงินเราอยากไปให้มันทุกอย่างดูมันจะเก่งกว่าเราให้มันรู้ไป มันเก่งก็ทำไปสิมันอยากจะหนีออกจากบ้านให้มันไปถ้าบ้านเราไม่ดีพอมันอยากจะไปอยู่ที่อก็ไปอยากจะไปติดคุกติดตารางไปติดยาเสพติดอยากจะไปเป็นโสเพณีก็ไปให้มันไปไปกลัวอะไรไปทุกขกับมันทำไมถ้ามันอยากจะเล่นกับเราเราก็ต้องเล่นกับมันอย่างนี้มันถึงจะได้เข็ดคำถามต่อไปจากคุณพิสนนะครับ พอดีมีลูกสาวเพื่อนไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึง่งในจังหวัดแห่งหนึง่งแต่พอกลับมามีอาการแปลกๆคือบอกพ่อแม่ว่าตัวเองมีองค์และชาติที่แล้วเกิดเป็นพญานาคพอกลับมามีอาการแลบลิ้นเหมือนพวกสัตว์เลื้อยคานไม่ทราบว่าจะแก้ไขอาการเหล่านี้ได้อย่างไรเนื่องจากพ่อแม่กุ้มใจมากที่ลูกมีอาการแบบนี้ก็เมันเป็นอาการหลงของลูกลูกไปหลง ก่าอาจจะไปเขาสั่งเขาสอนให้คิดอย่างนั้นก็เลยเชื่อไปก็ทําใจแล้วว่าเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราจะได้ไม่ทุกข์คำถามจากคุณนิ่มนะครับเวลาหนูกำหนดสติจะมีอาการเกรงเกรงกลัวๆจะมีวิธีทําใจให้สบายแล้วเดินสติต่ออย่างไรดีคะ นี่เป็นอาการของจิตเครียดหรือเปล่าคะช่วยแนะนําหนูด้วยเวลาจิตเครียดก็พยายามจดสติให้มีพุทโธพุทโธอยู่อย่างเดียวอย่าปล่อยให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่กับพุทโธไปอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวความคิดความเครียด ค, ค, ความกลัวอะไรต่างๆก็จะหายไปคุณวานิษถามว่าทําใจยังไงให้สบายตลอดไม่มีทุกข์ครับก็ต้อง มีสติมีสมาธิมีปัญญาเพื่อตัดกิเลสความโลภโกรดลงให้หมดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอดจากคุณอ้อนะครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายคำว่าขีหิปฏิบัติสามีชอบให้ฟังบ่อยๆพูดให้ฟังบ่อยๆเจ้าค่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่า Google ดีกว่านะ <laughs> คำถามจากคุณแอนนะครับหากทําบุญใส่บาตรส่งเสริมพระทุศิล์เราจะบาปหรือตกนรกหรือไม่คะเราทําบุญเราก็ได้บุญพระที่ทุศิลป์เาก็ได้บาปแต่เราก็ไม่ควรที่ไปสนับสนุนคนที่ทําบาปเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดโทษกับตัวเขาเองและเกิดโทษกับผู้อื่องนงั้นถ้าเราจะทําบุญเราควรจะเลือกทําบุญกับคนดีจะดีกว่าเพราะคนดีไม่ไม่ทำโทษไม่ทํา ทำโทษเรื่อสร้างโทษสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นคนดีมีแต่ทาคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นดังนั้นเวลาเราทําบุญเราจึงควรเลือกทํากับคนที่ดีอย่าไปทํากับคนไม่ดีคําถามจากคุณจิตสนะนะครับมีคนเคยบอกว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์แล้วจะทิ้งพระอรหันต์ไปปฏิบัติอยู่วัดอย่างนี้ถือว่าเป็นการละทิ้งพ่อแม่หรือเปล่าคะคือ การอยู่กับพ่อแม่แลเลี้ยงดูพ่อแม่นี่ก็เป็นหน้าที่ของลูกๆถ้าพ่อแม่ชราภาพไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ก็ต้องดูแลไปแต่เวลาอยากจะไปปฏิบัติเราก็หาคนมามาดูแลแทนได้เป็นข้างข่าวไปจ้างใครมาอยู่แทนก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดตราบใดที่เรายังรับภาระอยู่เรายังหาเงินหาทองเมื่อที่มา สนับสนุนเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่เราก็ยังไปไหนมาไหนได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่คู่กันไปตลอด24ชั่วโมงเพอาะเม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปปฏิบัติไปพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ก้าวหน้าต่อไปเฉะนั้นเราต้องรู้จักใช้ปัญญารู้จักใช้ก า, ก, าการการการแยกแยะ ก, ก, การกระทําให้ถูกต้องอ คือบางทีเราไม่ต้องทําเองก็ได้เราจ้างคนอื่นมาทําแทนก็ได้เช่นสบายนี้บางทีเขาก็มีพยาบาลเด็กรับใช้ก็จ้างเขามาดูแลพ่อแม่ให้กับเราก็ได้ถ้าเรามีเงินจ้างเขาเราก็เอาเวลาของเราที่มาดูแลพ่อแม่ไปปฏิบัติได้คําถามทากคุณจามจุรีนะครับจําเป็นไหมต้องสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิคะปกติไม่ค่อยชอบสวดมนต์ การสวดมนต์ก็เป็นการทําสมาธิเบื้องต้นคือทำแบบง่ายๆเพราะบางทีต้องใช้การสวดมนต์ลกล่อมใจก่อนเวลาเรามานั่งใหม่ๆนี้ใจของเราอาจจะฟุ้งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะให้นั่งดูลมหรือพุทโธนี้มันจะนั่งไม่ได้ก็ใช้การนั่งสวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งจนใจเริ่มเข้าสู่ความสงบ หายฟุง้งซ่านก็สามารถที่จะดูลมแล้วพุทธโทต่อไปได้แต่ถ้าเราสามารถนั่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องสวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดเหมือนกับขับรถเนี่ยมันมีเกียร์ถ้ารถจอดอยู่เฉยจะไปเข้าเกียร์สี่มันก็ออกวิ่งไม่ได้ก็ต้องเข้าเกียร์หนึ่งก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเปนเกียร์สองเกียร์สามไปจิตของเราเวลาเริ่มต้นภาวนามันอาจจะฟุ้งมากใช้การดูลมนี่จะมีกําลัง เรามีกำลังไม่พอที่จะดูลมก็ดูไม่ได้มีกไม่ไม่มีกำลังที่จะอยู่กับพุทโธแต่มีกำลังอยู่กับการสวดเราก็สวดไปก่อนสวดไปจนรู้สึกว่าใจเริ่มคลายจใจเริ่มเบาเริ่มเย็นลรวก็ลองหยุดสวดแล้วก็ลองดูลมหายใจต่อไปคำถามจากคุณนิกกี้นะครับถ้ารักษาศีลแปดเจริญสมาธิลูกได้เห็นว่าทุกสิ่งนี้มันไม่มีอะไร ทุกอย่างกลับไปเป็นดินน้ำลมไฟรู้สึกตัวเองว่างเปล่าทาให้เกิดการเบื่อหน่ายในชีวิตแต่ยังต้องมีภาระทางโลกอยากเรียนถามว่าลูกควรทำอย่างไรดีเจ้าคะในการมีชีวิตอยู่ต่อทางโลกคือถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นดินน้ำลมไฟเห็นด้วยปัญญาจริงๆเห็นด้วยใจที่สงบจะไม่มีความเบื่อหน่ายคือจะเบื่อแต่ไม่เบื่อหน่ายแบบ เครียดหรือทุกข์ใจจะเบื่อแบบว่าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นภาระที่เราไม่อยากที่จะไปยุ่งไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างถ้าบางทีถ้าภาวนาใช้ปัญญาในขณะที่ใจไม่สงบมันก็จะเกิดวิปราดขึ้นมาได้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งที่เราพิจารณาได้ดังนั้นท่านึงบงังคับให้เรามีเสพความสงบก่อนแล้วใจเราจะเย็นใจจะสบาย เวลาเห็นทุกอย่างว่าเป็นดินน้ำลมไฟก็จะไม่รู้สึกอาการอิดเอือนหรือเบื่อหน่ายแบบเบื่อเบื่อแบบจะอยากจะฆ่าตัวตายอะไรทานองนั้นอาจจะเบื่อแบบหรือว่ามันเป็นของปลอมทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงเป็นความสุขปลอมก็เบื่อแบบไม่อยากจะไปยุ่งกับมันอีกแล้วฉะนั้นต้องระวังว่ามันเบื่อแบบไหนคําถามจากคุณ น, นิกนะครับ ในเพศคารวา่าในความเป็นจริงสามารถปฏิบัติธรรมได้บ้างมากน้อยเพียงใดและเพศคารว่าสามารถฝึกให้พ้นจากการาคะได้หรือไม่ครับคือแต่ละคนมันก็แล้วแต่ว่ามีฐานะมีอะไรอย่างไรบางคนเป็นคารว่าแต่สบายไม่ต้องทํางานทําการมีเงินทองกินไปสิบชาติก็ไม่หมดนอย่างนี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติเป็นแบบนักบวชได้โดยที่ไม่ต้องบวชก็ได้ และการจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็อยู่ที่ธรรมะที่เป็นเหตุที่จะให้บรรลุว่าเรามีหรือไม่เรามีความสามารถสร้างมันขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าเรามีความสามารถสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้เราก็บรรลุได้ไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรก็ตามเพศนั้นไม่ได้เป็นตัวตัดสินการบรรลุธรรมตัวที่ตัดสินการบรรลุธรรมก็คือเหตุของธรรมที่จะทําให้บรรลุก็คือศีลสมาธิปัญญา ที่การจะมีศีลสมาธิปัญญาได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเรามีเวลาที่จะมาสร้างมันหรือไม่ถ้าเรามีเวลาสร้างมันมันก็จะมีมีแล้วเราก็จะบรรลุได้คนที่ออกบวชเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างศีลสมาธิปัญญาเขาก็เลยไปบวชกันคนที่ไม่อยากบวชแต่สามารถสร้างศีลสมาธิปัญญาได้ที่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไร ขอให้มีศีลสมาธิปัญญาแล้วมันก็จะบรรลุธรรมได้คำถามจากคุณอ้อยนะครับในการนั่งสมาธิหากจิตเราไม่นิ่งจะได้บุญไหมคะถ้าไม่นิ่งก็ยังไม่ได้บุญได้บ้างแต่ไม่ได้มากได้บุญจากการที่พยายามทำให้นิ่งแต่ยังไม่ได้บุญที่เกิดจากการนิ่งพั้นพยายามทำต่อไปขณดทานี้ก็ได้บุญในส่วนหนึ่งแล้วกำลังเจริญมากกาลังเจริญเหตุ กำลังทําเหตุให้เกิดผลขึ้นมาถ้าไม่เจริญเหตุก็จะไม่มีวันที่จะเกิดผลขึ้นมาได้ดังนั้นขณะที่เรานั่งทํานี้ก็แสดงว่าเรากําลังสร้างบุญสร้างกุศ ล, ละนะเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาให้มันงอกงามเจริญ ง, งอกงามเหมือ น, นเรากําลังปลูกปลูกข้าวอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ปลูกข้าวเราก็จะไม่มีรวงข้าวให้เราเก็บเกี่ยวดงนั้นเวลาเราปลูกข้าวเราไถานา เราก็อย่าเพิ่งไปฝันอยากจะได้หลวงข้าวเดี๋ยวถึงเวลามันก็มาเองเวลาเรานั่งก็พยายามเจริญสติไปได้เรื่อยๆเมื่อมันได้กําลังพอแล้วมันก็จะได้ผลคือความสงบแล้วมันก็จะได้บุญคือความสุขใจคําถามจากคุณเพนซิลินะครับ เวลาประกอบอาหารชั่วโมงเร่งด่วนจะมีมดมาไต่ตอมบางทีต้องทำลายล้างมันบางทีมีเวลาเยอะก็จะคอยช่วยเหลือมันไม่อยากให้มันตายแต่บางทีไม่ทันการแล้วต้องทำให้มันตายจะรู้สึกเครียดมากไม่อยากทำมันตายค่ะทำไงถึงจะไม่ให้เครียดคะก็ย้ายที่ทำเด็ดหรือหาวิธีที่ไม่ให้มันขึ้นมาหามาตรการทำอะไรที่ทำให้มันไม่มา ค, คำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณจุ๋มนะครับจิตรวมแล้วพิจารณาปัญญาต่อใช่ไหมคะในเวลารลวม่อยให้มันรวมให้มันนิ่งไปนานๆก่อนจนกว่ามันจะถอนออกมาแล้วมาคิดปรุงแต่งแล้วถึงใช้ความคิดปรุงแต่งพิจารณาทางปัญญาต่อไปพี่แถนมีคำถามครับคุณสุวรรณีถามว่าคนทำศัลยกรรมบาปไหมคะศัลยกรรมไม่บาปหรอกมันก็เป็นเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายไป แต่ว่าทำด้วยเหตุผลอนไดถ้าทำด้วยความหลงก็เป็นการาสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากทำสัญญกรรมไม่กี่ปีเดียวมันก็เหี่ยวเหมือนเดิมจนในที่สุดมันก็จะทำไม่ได้มันก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ทำยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายเป็นธรรมดาก็ปล่อยมันแก่ไปเหี่ยวไปใจก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็จะเป็นปัญญา ทำศัญยกรรมก็เรียกว่าทำด้วยความหลงคนที่เขาไม่หลงเขาไม่ทำกันหรอกคนที่หลงนั่นนะถึงจะทำพอยังหลงนักร่างกายยังอยากให้ร่างกายสวยให้งามอยู่แล้วก็จะต้องไปทุกข์ในเมื่อถึงเวลาที่ทำไม่ได้หรือทำแล้วผิดพลาดไปหน้าตากลายเป็น <laughs> กลายเป็นผีไป <laughs> เลยพระอาจารย์ครับความหลงนี่ไม่ใช่วิชาธิษฐิได้มพระอาจารใช่วิชาธิษฐิก็ไม่บาก็ไม่บาปบาปต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยแต่ความหลงนี่จะเป็นเหตุที่ทําให้ไปทําบาปได้ต่อไปเอา <c oughs> แล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพ่งนิจเพจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด